บหมเกี่ยวกับฉันคนเก่าเพลงเดิมๆที่เคยเป็นของเราเธอยังร้องยังฟังอยู่ไหมไม่รู้ความ ไม่รู้ภาพแวลตาที่เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนไปสักไหนนอกจากชื่อฉันมีสึ่ง น, นี้ไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจะมันได้อยู่เสรจจากความรักยังเหลือไม่ก็ไม่รู้ในความทรงจำที่ยังจม ขอ น, นที่เธอคุนที่เคยนุ้นเมื่อก่อนวันนี้ก็ไม่มีใครได้นอนยังเก็บไว้ว่าเธอเสมอไม่รู้ความรู้สึกในตอนที่ เอาอย่ไม่ไม่รู้ภาพแวงตาที่เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนอกจากชื่อฉันมีสิ่งเงินอีกไหมที่เธออิ่ใส่ใจและพอจะมันได้อยู่สสพจากความรักยิ่งหลือไม่ก็ไม่รู้ในความทรง โอนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจแลดพอจะมันได้อยู่เสรพจากความรัก ในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่นอกจากชื่อฉัญมีสิ่งอื่นอีไหมที่เธอเงใส่ใจและพอจะมันได้อยู่เสร็จจะความรักยังหรือไม่ก็ไม่รู้ในความทรงจำเธอยงจะมีฉันอยู่ บ้างไม